เป็นไ ง, ไงบ้างวันนี้ปฏิบัติเป็นยังไงมีอะไรสงสัยนะตักถามกันคนใหม่หม่คนกเก่าเก่าเป็นไงบ้างคนใหม่หมเป็นไงบ้างยงก็คิดไปเรื่อยเลยครับ <c oughs> คิดไปยาวไหมก็ยาวบ้างสั้นบ้างครับ <c oughs> แต่ก่อนเคยเห็นเคยเคยรู้ว่ามันคิดไปเรื่อยคิดเยอะแบบนี้ไหมก็นานๆทีแล้วรู้ครับนานๆทีรู้เนาะแต่วันนี้รู้สึกเห็นมันคิดไปเรื่อยเยอะก็ประมาณนั้น อันนี้ก็ถือว่าเรารู้ตัวมากขึ้นนะเราเลยเห็นว่ามันคิดไปเรื่อยของมันที่จริงจิตมันก็คิดเยอะอยู่แล้วนะแต่บางทีเราไม่รู้ว่ามันคิดเยอะแต่บางทีถ้ า, ามันคือมันก็รู้ตัวว่าหลงไปคิดเยอะแต่ว่าเราก็รู้มากขึ้นแต่เพียงแต่ว่าบางครั้ง ถ้าตัวสติมันกำลังมันไม่มากมันก็เลยแบบเหมือนบางครั้งมันก็ความคิดก็จะยาวหรือบางทีมันก็เหมือนกำลังรู้แล้วมันก็ไม่ตัดความคิดมันก็ไม่เป็นไรเมื่อเหมือนคล้ายๆเราฝึกใหม่ๆมันก็มันก็แบบเหมือนคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบเหมือนเด็กนะมันเหมือนถ้าถูกมันก็จะถูกเขาดึงไป จะดึงเข้ามาได้นิดนึงเนะี่ยมันก็ถูกดึงไปละเหมือนชักกระเยอะนะเราดึงเข้ามาได้นิดนึงนะเขาก็ดึงไปนะแต่ก็ยังดีกว่าการที่ไม่รู้ทันเลยนะถ้าจมฝึกไปเรื่อยๆจมก็จะก็จะรู้ทันความคิดได้บ่อยขึ้นแล้วความคิดก็จะไม่ยาวนะไม่ยาวหรือบางครั้งอารมณ์ก็จะไม่จมลงไปในอารมณ์นานนี่นคือ เราจะออกจากอารมณ์ออกจากความคิดได้บ่อยนี่คือการปฏิบัติจริงๆเรารู้สึกที่ร่างกายจริงๆเหมือนคล้ายๆเพื่อเป็นฐานเป็นฐานให้รู้ตัวว่าเมื่อไรที่มันดื่มฐานเนะี่ยมันจะส่วนใหญ่ก็ไปกับความคิดความคิดโดยเฉพาะความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจเนะี่ยมันจะถูกลากไปเราจะเห็นนะการหลงไปกับในความคิดหลงไปในอารมณ์นะพอเรารู้สึกตัวว่ามันลงไปนะแสดงว่าเราดื่มฐาน เนี่ยคือตอนที่เอจใจได้ว่ามันมันหลงไปนั่นแหละตัวสติตัวสติตัวจริงที่มันรู้ตัวขึ้นมาล้วมันกลับมาได้นะแต่บางทีก็กลับมาได้แป๊บหนึง่งไปอีกละไม่เป็นไรไปอีกก็รู้สึกตัวใหม่ไปอีกก็รู้สึกตัวใหม่เนี่ยทนะําแบบนี้ไปเรื่อยจะเห็นว่าการเห็นความหลงนะหลงไปคิดนั่นแหละ นี่ถ้าใครเห็นความหลงไปคิดนะบ่อยๆนะก็คือเราก็ได้ปฏิบัติทำเหมือนกันไม่ใช่แปลว่าวันหนึ่งเราจะไม่คิดเลยวันหนึ่งจะว่างสงบอะไรไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเพื่อจุดหมายตรงนั้นแต่ปฏิบัติเพื่อให้ฝึกสติให้รู้ทันกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันใจคิดนึกแล้วต่อไปมันจะเห็นว่ากายเคลื่อนก็ดีหรือจิตเคลื่อนก็ดี เนะมันเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเดินเรานั่งเราคิดเราสุขเราทุกข์นะถ้ายังมีความเป็นเราอยู่ในในรูปหรือในนามเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวตนเนาะแต่ถ้าสติมันเป็นผู้เห็นเนี่ยมันจะสึกมันคือรูปนะแต่ถ้าเราพูดง่ า, งงายๆคือร่างกายคือกายมันเดินกายมันยืนกายมันนั่ง กายมันปวดกายมันเมื่อยกายมันทุกข์จิตก็เหมือนกันจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็สงบมาเป็นอาการมันจะถอนความเป็นเราคือเมื่อมันหลงมันจะเกิดความเป็นเราเมื่อมันรู้น่ะมันจะไม่มีความเป็นเรามันมีแต่รูปกำนามมันมีแต่สิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้คือเป็นปัจจุบัน ตัวรู้นะ่ะคือรู้ทันน่ะไม่ได้เข้าไปอยู่การเห็นเนี่ยแหละคือวิปัสสนานะตัวเห็นเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการของรูปอาการของนามเนี่ยตัวตัววิปัสสนาแต่บางทีมันก็มีการเหมือนอยู่นะถ้าเราเข้าไปอยู่เช่นอยู่ในกายนะ อาศัยลมหายใจอาศัยมือพลิกอาศัยขาที่เดินเป็นเครื่องอยู่ถ้าอยู่แบบเข้าไปอยู่เลยเนี่ยเป็นสมถาะา <c oughs> ก็ดีแบบสมถาะาคือดีได้พักบ้างได้สงบบ้างได้มีเครื่องเกาะบ้างแต่ถ้าเราสามารถพัฒนาไปสู่การเห็นได้เนี่ยเป็นวิปัสสนาสมถะไม่ใช่ผิดเ์ซนตะถ้าบางครั้งฟุ้งซ่านมากจำเป็นต้องกาหนด มันเป็นต้องตั้งใจมากๆบางทีก็ต้องทําอืมแต่ถ้ามันไม่ได้ฟุ้งมากเผลอไปดูเผลอไปดูเผลอไปดูก็ ไ, ไม่ต้องไปกําหนดมากอันนั้นก็ตัวที่จะทําให้เราเกิดสติะเห็นมันแต่มันก็วันแรกๆมันก็ก็ทําได้บ้างไม่ได้บ้างนะไม่เป็นไรทุกคนกว่าจะงมเข็มกว่าจะเข้าใจมันใช้เวลาอยู่ใช้เวลาเพราะว่ามัน มันมันไม่ได้ยากเกินไปหรอกแต่บางทีความเคยชินกัเก่ามันจะมันจะลากเราไปคิดอะไรนะมันจะง่ายนะแต่ก็พอจะพอกลับมาได้บ่อยๆเนาะ <c oughs> กลับมาเนี่ยตอนเนี้ยนะหลวงพ่อเทียนท่านจะให้เราแบบประเภศว่าคือถ้าคล้ายๆอย่อยนิ่งๆนงนะ มันเหมือนกรรมฐานที่มันเหมือนไม่เรียบร้อยนะแต่มันแบบอเนี่ยตกขาพลิกมืออะไรนะเหมือนบางทีบางทีมันนิ่งข้างนอกนะแต่ใจไม่นิ่งเข้าใจไหมแบบบางทีเรานั่งนิ่งๆนะแต่ใจมันไม่นิ่งใจมันหาเบื้องคิดการการขยับตัวเหมือนปลุกให้เราตื่นปลุกให้เรารู้ตัวเนี่ยอย่างเช่นปลุกให้เรา จิตมันตื่นออกมาจากความคิดกลับมารู้สึกตัวเนี่ยบางทีคำมาฐานแบบนี้อาจจะดูดูดูไม่นิ่งดูไม่สงบแต่มันสิ่งที่เราเน้นขึ้นเน้นตัวรู้เน้นการตื่นตื่นให้กายมันตื่นให้จิตมันตื่นเนะี่ยกายก็ตื่นตัวก็คือไม่ได้ทําแบบไม่ได้ทำแบบเบอเบอรไม่ได้ทําแบบซึมซึมเนาะบางทีคนปฏิบัติทําบางทีไปทํา ทำกายให้ซุมๆนะทำจิตให้ซุ่มๆแต่กรรมฐานตัวจเจริญสติจริงๆเราเน้นการตื่นนะโดยเพราะจิตที่มันตื่นตื่นออกจากความคิดตื่นเป็นผู้รู้นะแม้แต่ความสงบก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในความสงบตื่นในการเห็นเห็นจิตมาสงบ น, นี่คือตื่นออกมา คนเก่าเป็นไงคนใหม่ๆไม่เป็นไงปฏิบัติมาหลายคนก็เห็นเป็นปีนะมีเพื่อนถามแล้วยมตอบไม่ได้เจ้าค่ะเพื่อนถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าสภาวะเป็นความจริงหรือว่าคิดัวเองถ้าในกรณที่ฟังเทศมาเยอะๆค่ะเจ้าค่ะ เราไม่เหมือนใจมันโน้มไปหรือว่ามันเป็นสภาวะที่จริงมีตัวอย่างไหมสภาวะแบบไหนที่เขาสงสัยหนึ่งเขาเห็นการดับของอารมณ์ของเขค่ะและที่ี้เไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นเนะี่ยมันเป็นเพราะเขาไปทาให้มันเป็นหรือว่ามันเป็นการดับจริงๆเพราะว่าเขาฟังเทศค่อนข้างเยอจะจ้ะที่จริงนะ ถ้าตอนนั้นนะ่ะมันสงสัยว่าเรามันถึงว่าเห็นจริงหรือว่ามันถึงว่าเห็นดับจริงหรือไม่เห็นดับจริงนะสภาวะปัจจุบันของเขาตอนนั้นคือตัวสงสัยรู้ไปที่ตัวสงสัยเลยตัวที่มันดับไปแล้วมันจะดับจริงหรือด้วยความรู้จริงหนืออะไรมันเป็นอดีตแไปละแต่ปัจจุบันตอนนั้นคือตัวสงสัยรู้ที่ตัวสงสัยไปเลยมันมัน ตอนนั้นเป็นตัวจริงรู้ถ้าจะดูว่ารู้สิ่งที่เรารู้มันมันเป็นรู้สภาวะจริงหรือเปล่านะคือสิ่งนั้นต้องเป็นปัจจุบันถ้าไปย้อนที่จะไปคิดรู้ไปทวนรู้เนี่ยไม่ใช่ละตัวปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะเราเห็นตัวนั้นแนหะนั่นคือตัวจริงความสงสัยบางที พอดูแล้วดีใจนะตัวดีใจตัวปัจจุบันพอหลงไปแล้วเสียใจความเสียใจเป็นตัวปัจจุบันนะนะหรือ <c oughs> มันหลงไปมันไม่อยากให้หลงอีกอันนี้คือตัวปัจจุบันอันนี้มันตัวปัจจุบันนี้มันเร็วมากนะแต่ถ้าแต่ถ้าบางที มันไม่เห็นอาการของจิตที่มันกำลังเกิดขึ้นในตอนนี้มันมันสับสนมากน ะ, ะไม่เห็นความสับสนไม่แน่ใจนะอะบางทีก็บางทีมันก็ใช้แบบเหมือนก็กลับมาดูกายไปเลยเหมือนกลับมาดูกายตัวนี้ไปเลยอ่ะกลับมาอ่ะตั้งต้นใหม่แล้วที่จริงเดี๋ยวต่อไปการเห็น การเกิดดับอ่ะมันถ้ามันเห็นที่ตัวปัจจุบันจริงอ่ะมันจะไม่สงสัยแต่ถ้ามันยังสงสัยอยู่มันอาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นจริงๆแต่แต่ก็อันนี้คือเหมือนใบคำตอบนะแต่ที่จริงแต่เวลาปฏิบัติจริงๆคือรู้รู้ไอ้ตัวที่มันกาลังสงสัยนั่นคือตัวที่มันเป็นปัจจุบันในแต่ละขณะมันเปลี่ยนเร็วมากนะจิตเราเนี่ย กลับมามาดูฐานที่ปัจจุบันให้ได้บ่อยๆอ่ามีใครจะถามอะไรอีกเนี่ยมีไหมพระอาจารย์ครับแลถ้าโยมดูทีวีแล้วยมยกมือเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมครับมันจะช่วยโยมมีสติขึ้นหรือว่าไม่ต้องทำดูทีวีก็ดูอย่างเดียวจะฝึกสติก็ฝึก ไม่ควรจะเปิดทีวีดูเลือมดูทีวีเพื่ออะไรอ่ะอย่างดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นมันสนใจข่าวหรือสนใจตัวเองแล้วกันจําไม่ได้อ <c oughs> อย่างโยมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยครับเราควรจะยกมือหรือเราดูมันอย่างเดียวไปเลยที่จริงก็ไม่ได้สนับสนมานะไม่ได้ในรูปแบบเองไม่บางทีไม่ไ ไม่มีการตายตัวเนาะไม่ตายตัวแต่ถ้าสนับคนที่อยากจะแบบตั้งต้นให้มันชัดเจนก็อาจจะทําทีละอย่าง ท, ทําทีละอย่างก็จะดีกว่าถ้าทำสองอย่างบางทีมันสับสนนะคือแบบทีถ้าจะนั่งยกมือก็ยกมือไปเลยถ้าจะดูก็ดูไปเลยแต่คนนี้ถ้าจะดูก็ดูให้มันเป็นเช่นถ้าดูแบบไม่ไม่ยกมือนะก็ดู คือดูแบบแบบรู้สึกตัวไปด้วยอ่ะคือไม่ใช่เป็นว่าต้องมันขยับมือนะรู้สึกตัวเมอนถึงว่าจิตมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นขนาดที่ดูดูข่าวข่าวเนี้ยไม่ชอบรู้สึกรู้ทันใจเราที่มันกระดังเกิดอย่างไรขึ้นนะเผลอไปวิจารเผลอไปอินอะไรนะดูแล้วก็รู้สึกที่ใจของเราไปด้วยเนะ น, นี่ยอันเนี้ยถ้าดูแบบนี้นฝึกสติได้ แต่บางทีมันก็ไม่ง่ายบางทีเพราะว่ามันจะเผลอเข้าไปยาวกับอารมณ์กับความคิดได้ได้ง่ายมากโยมเนี่ยเคยดูทีวีแล้วเราลองพลิกมือถ้าสมมติเรามาอยู่ที่พลิกมือบางทีที่พิธีกรพูดอะไรเนี่ยอ่าเราจะย้อนไปว่าเฮ้ยัวแต่ทําเอ๊ะเมื่อกี้ที่เขาพูดเราจะไม่ได้ยิน หรือเราจำไม่ได้เลยว่าที่เขาพูดโยมก็เลยคิดว่าเป็นเพราะว่าเรามารู้สึกตัวตรงนี้เราก็จะไม่ได้ยินในสิ่งที่ในทีวีมันบอกเราก็จะหลุดไปตรงนั้นน่ะแต่มัไม่เป็นไรเนาะโยมแค่สงสัยว่าถ้าอย่างนี้คือเรามาที่ตรงนี้เราก็จะไม่ได้ตรงนั้นแต่ถ้าเราดูทีวีอย่างเดียวเราก็จะฟังเรื่องราวตรงนั้นได้หมดมากกว่า คืออย่างนี้คือใช่หรือเปล่าครับคือใช่คือเวลาเราดูคือดูแบบแบบตั้งใจดูดูให้เป็นดูเอาดูเหมือนเราเรียนหนังสือนะเหมือนเราตั้งใจฟังตั้งใจเรียนมันก็อาจจะได้ได้เนื้อหาได้ความรู้แม้แต่เราฟังเทศเราตั้งใจฟังเพื่อจะเพื่อจะจับประเด็นเพื่อจะจับรายละเอียดทั้งหมดอันนั้นคือดูแบบได้ความรู้แต่เป็นความรู้จากการจํา ความรู้จากการอาจจะมีการคิดวิเคราะห์ตามอันนั้นเป็นแค่ถ้าตวราธรมก็เรียกว่าความรู้แต่ถ้าเราจะดูแบบดูแบบมีสติอ่ะบางทีเนื้อหาไม่ได้สำคัญแต่สำคัญที่ว่าเราเห็นตัวเองขนาด ท, ที่ดูไหมคือฟังเทศไปถึมว่าบางทีมาเทศอะไรหรือพาะเทศอะไรที่ยังไม่สำคัญนะสำคัญว่าเราเห็นจิตของเราเป็นแบบไหน มันชอบมันไม่ชอบมันสงสัยมันหนีออกไปนะถ้าเราเห็นแบบนี้ได้นยะนี่คือเราดูเราฟังเทศอย่างเรียกว่ามีสติไม่ใช่การมีสติคืคอแปลว่าเราต้องยกมือไปด้วยฟังไปด้วยแต่ถ้าบางครั้งแต่บางทีบางคนฟังไปแล้วแบบมันง่วงมันซึมขยับเพื่อให้มันตื่นขึ้นมาโอเคในบางขณะนะหรือบางทีฟังไปบางที มันอินเข้าไปมากเกินไปเราขยับเพื่อเพื่อปลกให้มันดูดออกมาจากการอินในการฟังอันนี้ก็คือเป็นบางขณะก็ได้เราใช้ตายขยับเพื่อเพื่อดึงให้มันไม่ไม่อินหรือไม่ไหลไปกับอารมณ์มากเกินไปได้แล้วถ้าเมื่อใดทีเราสังเกตเห็นอารมณ์เรามันมันไหลถ้าดูจริงๆนะตัวตัวปฏิบัติจริงๆที่จริงเน้นมาสู่ เห็นจิตมันมันไหลไหลไปฟังไหลไปดูไหลไปคิดอะไรนะถ้าเราเห็นจิตมันไหลไปได้เนี่ยเนี่ยคือมันมันอัศจรรย์นะแต่ก่อนเราไม่รู้ว่าเวลาเราดูคนเนี่ยมันทีใจเราไหลไปละเวลาเราดูต้นไม้เนี่ยใจเราไหลไปละเวลาเราคิดเนี่ยก็ไปไหลไปตรงไหนก็ลนะเนี่ยตัวใจที่มันไหลไปเนี่ยคือ มันไม่ปกติละจิตไม่ตั้งมั่นแต่ตานที่พอเห็นใจมันไหลนะมันเหมือนเวลาเราดึงดึงเชือกที่มันม้วนๆนะปุ๊บพอเราดูตัวมันมันปล่อยอ่ะมันกลับมามันก็จะแบบนี้นะไปปุ๊บพอรู้ปุ๊บมันกลับของมันเองนะนี่คือเราฝึกแบบเนี้ยเราก็สนุกนะจะเห็นว่าวันๆหนึ่งใจไหลไปปล่อยมากดูทีวีดูฟังเพลง ถ้าถ้ามีสตินะทำได้แต่ถ้าขาดสติก็ไหลไปกับมันอาจารมาก็มีประสบการณ์วเนี่ยบางทีแต่ก่อนบางทีปฏิบัติบางทีปฏิบัติมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้อะไรอ่ะแต่ก็มีบางช่วงแบบอพอนั่งรถไปนั่งรถโดยสารนะพอเปิดเพลงเพลงบางครั้งไม่เคยเพลงที่เราเคยชอบนะใจเราไหลเออบดาไป ฟังนะพอ เ, เปิดเพลงที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่คุ้นไม่รู้จักไม่ชอบใจก็มันไม่อินกนะ็ก็รู้สึกเห็นมันนะขณะที่ฟังนั่งอยู่กับรถนั้นนะเขาเปิดเพลงแล้วก็อืมเห็นตัวเองเห็นใจมันไหลไปอืมแต่ถ้ า, มมม า, กกาเมื่อไหร่มันอินมากเกินไปเราก็อาศัยการขยับมาช่วยครานี้โยมก็ต้องดูว่าโยมถ้าจะดูเอาเพื่อเอาเนื้อหาสาระก็ก็ดูไปเลย กไไ็ไม่ต้องคิดปฏิบัติแต่ถ้าจะดูเพื่อเพื่อจะดูสภาวะอารมณ์ของเราก็เน้นเน้นดูกายตดวใจของเราเนื้อหาก็ให้มันเป็นเรื่องเรื่องรองไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เหมือนฟังธรรมะไม่ต้องไม่ต้องฟังแบบเอาแบบเพื่อจะจำเนาะ ที่ จ, จริงฟังทำจริ ง, ร ง, รงอ่ะเหมันเหมือนฟังให้มันเหมือนให้เหมือนผ่านเข้ามาในผ่านเข้ามาได้ยินได้ฟังบ้างแล้วเวลาเราปฏิบัติจริงๆรนะแม้อะไรที่เราจําได้จริงๆรินะแต่พอปฏิบัติพอมันติดจริงๆเนะี่ยมันจะลืมก <c oughs> ว่าจะรู้ตัวจริงๆเนะี่ยมันทุกข์หนักหรือว่ามันแบบเข็ดอนะ่ะอย่างแต่ก่อนมาเนะี่ยก็แบบได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเตือนนะ เทศหลายครั้งแบบปฏิบัตินะอย่าอย่าอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเอานะ <c ười> คือได้ยินมาเยอะแล้วก็จำได้แต่พอเก็บอารมณ์นะโอ้ความค่อยๆเราตั้งเป้าเนาะตั้งเป้าเก็บอารมณ์อยากจะปฏิบัติให้มันบรรลุธรรมอยากจะปฏิบัติให้มันได้อะไรไมั้งนะ ความอยากของเรามันบังตาไอ้ที่เคยได้ยินได้ฟังมามันลือไปหมดเลยแต่พอถึงคราวที่มันมันคล้ายๆมันอยากมากๆแล้วมันทุกข์มากมันก็ย้อนกลับมาระลึกได้คําที่หอวงพ่อพูดของพ่อเคยบอกนี่แล้วเราก็เห็นจริงๆว่าความทุกข์ของเราตอนนี้นมันเกิดเพราะความอยากของเราไม่ใช่คนอื่นทําให้เราทุกข์เลยเพราะตัวเองมันอยากที่จะบรรลุธรรมอยากจะรู้ มันทําให้เราทุกข์มารู้สึกว่าเหมือนเดินไปชนกําแพงอ่ะแต่มันดื้อมันดื้อมันจะทะลุกําแพงให้ได้นะจะทะลุให้ได้อืแต่พอมันพยายามจะดันกําแพงจะทะลุกําแพงไม่ไหวะมาย้อนมาเห็นว่ามันทุกข์เพราะว่าความอยากของเราเองเนี่ยแหละมันถึงจะปล่อยนะมันก็อาศัยคําการได้ยินได้ฟังมามาเป็นเครื่อง ไว้แล้วก็พอถึงมันทุกจริงจริงมันเห็นนั่งการได้ยินได้ฟังจริงจริงก็ให้ฟังแบบพันพางแบบนี้แหละเหมือนโยมจดนะแต่พอถึงเวลาปฏิบัติจริงมันคิดไม่ได้หรอกว่าอยู่ตรงไหนเมื่อแต่จิตมันคิดของจิตมันได้รึกได้ของมันเองแหละมันเอามาใช้อืมแต่ก็จดไว้เพื่ออ่านทบทวนบ้างก็ได้นะเผื่อบางครั้งติดขัดอ่าได้ยินได้ฟังบางทีเหมือนฟังเทศอ่ะบางที เราติดขัดอะไรมันบางทีมันมันได้คําตอบมันได้คําตอบฮะแต่อย่าไปหาคําตอบจากการคิดเอานะแต่พอมันติดแล้วมันมันสะกิดฮะมันนะั้นนั่นคือคําตอบอืมวันนี้ที่ได้นะครก็คือตอนที่มาเช้าที่ท่านได้พูดถึงในเรื่องของความรู้สึกอ่ามันมันลยรวมไป เพราะว่าความรู้สึกนั้นจะต้องแทนทะลุใจที่ไม่มีโมหะ โ, โมสะโรหาซึ่งมันทำให้เกิดมันก็คงจะเป็นเรื่องของเจ้าคิ่มันมันเหมือนสัมผัสได้ถึงคำว่าสามาถทถติแล้วเพราะว่าอันนี้มันเพิ่งเกิดเกิดแต่ตัวเองเมื่อประมาณสัก3ามสวันที่ผ่านมา ก็ค hmm. er. ือเพราะว่าแม่ของโยมอะอัลไซเมอร์แล้วก็จะมีการเพิ่มยาเพราะเเพิ่มยาต้องเรื่องความจท่านก็จะคือบ่นเยอะมากบ่นบนบนนพูเยอะมากทีนี้เราเราก็ฟังเราก็นิ่งนิ่งฟังฟังฟจนเหมือนอารมณ์เราก็ขึ้นและถ้าเรารู้สึกตัวแบบคือได้รู้รู้ใจขยามรู้อะไรบ้างก็ ลงลงเดี Now, half, like say, ๋ยวก็ขึ้นขึ้นเดี๋ยวก็ลงลงประมาณนี้ท่านท่านจะพูดนานมากครั้นี้มันก็ถึงจุดจุดที่เราคิดว่าใจางไปบอกว่าต้องปล่อยละคือเราตัวเราต้องปล่อยละก็เต้าแม่บอกไปเลยเต้าไปเต้าเต้ต้าเส็จพอเต้าปุ๊บอ่ะจบละแล้วก็ลงไปดิ่งฟังฟังฟครั้นี้โยมแดงก็โทมาค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเราเลล่าให้ฟังแล้วก็รู้สึก มากภูมิใจตัวเองมากเลยว่าเนี่ยฉันก็รู้สึกตัวนะรู้ว่ามันไม่หวังแล้วฉันก็ปล่อยก็ไปเพระหมานก็รู้แล้วก็เลยปล่อยปล่อยแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติธรรมที่ถูกเนี่ยต้องไม่ถูกนานหมอก็ไดนะ้ว่าไม่ถูกนานนายก็บอกด้วยความแล้วแปลกๆหลวงว่าเจมบอกให้รู้ถานความคิดไม่ได้ให้รู้ต่างความคิดนะหม <c oughs> เนี้่ <c oughs> ก็เลยรู้สึก <c oughs> วมนนี้ก็เลยรู้สึกได้ฟางในสิ่งที่ ตัวเองเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าการรู้สึกตัวตรงนั้นมันไม่ใช่แค่เหมือนกับว่าเราเรารู้สึกอะไรแล้วคือเป็นความรู้สึกที่มันไม่มีสามารถที่ธิมันไม่ใช่มันต้องรู้แล้วแข็งรู้เข้าไปในใจอย่างพี่พระจันได้ชี้แนะนำตรงนั้นอะร่างเลนะีล้ยะก็เข้าใจมากขึ้นอืมแต่ก็อย่างที่ว่านะคือแบบบางทีกระดังมันมันไม่ทันเนาะ จีไม่ทันเผลอออกไปแล้วก็เหมือนถ้าตอนนี้มันเสียใจมันรู้สึกผิดรู้ทันไอตัวนั้นเนเาะบางทีหรือบางทีรู้ทันมันนะบางทีความดงมันก็เร็วมากนะมันยิ้มดีใจดีใจที่รู้ทันมันแหะอันนี้ก็ตัวตัวดลงมาดีหลงมาดีใจก็แล้วเนี่ยมันมันก็มันก็สน เจ็เหมือนเหมือนที่ครูบาอาจารย์บางทีพูดนะแบบบางทีคือกิดความหลงกิเลสนี้มันแบบมันมาเหนือชั้นมากเอ่าเหนือชั้นแต่มันสนุกในการเห็นความหลงที่มันเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นบ่อยขึ้นเนาะอืแต่ก่อนเราคิดว่าเราหลงน้อยมาไังปฏิบัติจริงเห็นความหลงมันเยอะถ้าใครปฏิบัติแล้ววันๆไม่ค่อยหลงนะ ระวังอระวังอืเพราะว่าเหมือนอันนี้คอยคอยญาติยกพระอาจารย์ตุ้มนะตอนที่ท่านปฏิบัติ บ, ตบวชใหม่ๆแล้วหลวงพ่อเําเขียนไปหาอาจารย์ตุ้มเราเองดีไหมว่าอย่างไงอดีหลวงพ่อก็โง่โง่ซะ หลวงพ่าก็คงทราบว่ตอนนี้เป็นแบบว่าเรากําลังตั้งใจปฏิบัติอยู่เส้นทางนั้นหลวงพ่อไม่เคยเดินหลวงพ่อก็เดินเดินเข้าไปเราเห็นหลวงพ่าก็ดีใจดีใจมากเลยแล้วก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่าครับวันเนี้ยแบบว่าแบบว่าอาก็รแบบรู้ตัวดีจังเลยอะไรเงี้ยนะหลวงพ่าก็ พูดเบาว่าระวังหลงนะหลว่าก็คือมันก็ไม่ได้หยุดอะไรมากนะหลวงพ่าก pues ็พูดเบาว่าระวังหลงนะหลวก็เดินเลยไปก็เป็นอารมณ์เดียวกับที่พระจันทร์นนท์บอกอย่าเงี้ยหลงดีใจเหมือนคล้ายๆว่าคือมันเหมือนกับเราไม่คิดอะไรเลยแต่จริงๆคิดดีใจคิดไม่ดีใจอะไรต่างๆนานาอนี้เราเราไม่ทันเขาอย่างเงี้ยนั่นคือตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับหลวงพ่อก็ ก็จำหลวงพ่อได้แม่นนะว่่ว่าระวังหลงเนี่ยไอ้การความหลงมันมันมาแบบมันมาแบบมันมันเร็วมากนะฮะมันก็เรียกว่ามาในหลายรูปหลายแบบอย่างเงี้ยมาทั้งดีมาทั้งอะไรต่างๆก็นึกถึงแบบว่าเวลาเหมือนกับเด็กๆนะเรื่องเทมนิยา ย, ยอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็แปลงร่างเป็นกระต่ายเดี๋ยวก็แปลงร่างเป็น แอปเปินึ่งแตนนาเหล่านี้สารพัดสารเพยที่จะหลอกเราเ่างเง้ย <c oughs> สมว่าเราเจอทุกกากระทบหนักแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิบัติในรูปแบบได้เช่นอาจจดอยู่ในสภาวะกดดันที่เราไม่สามารถจะเดินตรงกรมได้หรือว่าเราไม่สามารถที่จะขยับอะไเงี้ยเรามีเทคนิคในการ อารมณ์ไมเห้นายในเบื้ต้นลมหายใจก็ได้เพราะยังไงเราก็ต้องหายใจล่ะปรับมารู้ลมหายใจของเราก็ได้มันช่วยได้นะลองปรับมาอยู่กับการหายใจหรือเลยนะหรือถ้าไม่ถ้ามันถ้ามันหรือบางทีรู้อารมณ์รู้ตัวที่อารมณ์ ได้ก็รู้ที่อารมณ์อเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นมาดูมันไม่บังคับให้มันหายก็แค่รู้ว่ามันมีอารมณ์แต่ถ้าดูตัวนั้นไม่ไหวก็รู้ลมหายใจหรือบางทีบางทีก็เหมือนตั้งใจขยับอย่างอื่นะนะฮะหมายถึงว่าเช่นเรานั่งอยู่ในสถานการณ์นะฮะมันเราก็ นั่งตั้งใจขยับบางอย่างไปให้มันเหมือนเรียกสติตัวเองนิดนึงนะก็ได้เหมือนกันีม่ได้ไหมอ่ะรงคนเวลาเนาะอ่ะคุณเอก